ตรวจไปตรวจมาก็ไปเห็นที่หนึ่งเป็นที่เนินสูงนะเป็นที่เนินและก็จะเป็นสวนของเป็นสวนของเจ้าเจ้าเก่าแก่ชื่อว่าชื่อว่านายเชิดนะนายเชิดเป็นเจ้าเก่าแก่ของกรุงสวัสดีแต่เนี้ก็ไปถามว่าที่นี้เป็นที่ของใครก็ถามว่าเป็นที่ของเจ้าเชิดนาถามนตริกาศษฐีก็ถามว่าท่าน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 พระพุทธเจ้ า, าเนี่ยสเสด็จมาประทับที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารนี่นานที่สุดถึง25ปีที่จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารนนานกว่าทุกแห่งและก็อาณาถาเบติกเศรษฐีเป็นผู้ดูแลเป็นผู้อุ ป, ปถัมภ์ประทับพระพุทธเจ้ า, าแต่หลวงพ่อเองก็อยากจะพูดให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเป็นข้อคิดอีกส่วนหนึ่ง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 อาณาถาบิกาศเศรษฐีก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรบันกันมันโอ้จะมีแต่คิดในใจตปรงตกอกเราลูกของเราเนี่ยเราเนี่ยจะพาลูกออพาครอบครัวทั้งลูกหลายหลายคนไปสู่สวรรค์นิพพานล้วนแล้วแต่ได้เป็นพระอริยบุคคลกับลูกมากเราเนี่กเป็นพระโสดาบันทั้งแม่บ้านก็นี่แหละพระแม่บ้านกัโสดาออลูกๆหลายคนก็นเป็นพระ อโสดากันมีเกือบทุกคนแต่ไอันี้ทําไมเป็นอย่างนี้เนาะลูกของเรานีเนาะแต่อาถาธรรมบดีกาเศรษฐีเนี่ยก็คิดแล้วก็ ด, ดิไม่รู้จะทํำยังไงฮเอก็คงจะดุดา ว, าาว่าเก่าที่ท่านก็ไม่ได้เขียนในตําราเอาไว้นะท่านก็คงจะแทะหวด้วย อ, อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะคนบอกไม่ฟังกันใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้นี่ไอ้หนุ่มเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นมาอายุสิบสี่สิบห้าปีเนะี่ย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 พอ 15. าข้ามมาอีกไปอกเอกได้15กลับมาอเอกขอทุกครั้งเหมือนกันไปวางเงิ น, นต้องมาก่อนตอนนี้อนาถามเดกกาจิติ์ก็ให้เนี่พอได้ตกลงแล้วต่อมาอนาถาไมตดกก็บอกว่าโลกให้ไปฟังเทศนะที่นี่นะไปฟังเทศเพระพุทธเจ้าจะเอาเท่าไหร่เอออาขอขอ 75. ก็แล้วกันรวมกันนะแต่ก่อน50ใช่รวมแล้วเป็น75ค่าาไปฟังเทศเหมือนกัน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 เอ่อที่แนะนำให้เราเข้ามาสู่วัดวาศาสานาเนี่ยโอ้โหพระพุทธทเจ้าก็เป็นผู้เลิศประเสริฐจริงๆที่ท่านแสดงธรรมเราได้โลกุตละซั์แล้วโอ้เอาทะยกมือท่วมหัวระลึกถึงบุญคุณของพ่อรละลึกถึงบุญคุณของพระพุทธทเจ้าจานั้นพอตอนเช้าพอสว่างพระพุทธองค์กับพระสงฆ์เนี่ยออกไปบิออกไปเนี่ยไปรับบิณฑบาต ที่บ้านอนาณาถาปินทิกเศรษฐีเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี่ก็ตามหลังคล้ายๆว่าตามหลังไอ้ข้างๆพระพุทธเจ้าไปเลยเตามไปนก็นี่แหละพอไปถึงบ้านแล้วกัอจัดน้ำจัดอาหารถวายอาหารถวายสิ่งของพระสงฆ์กับพระพุทาธเจ้าอาณาถาปินิกาเศรษฐีเห็นลูกชายโอ้โหเปลิ่มปีติอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดีย